ทำกันนะปางแล้วอไปทำดูให้โอกกายสัมผัสเอากายใจสัมผัสดูการทำทางกายการทำทางจิตใจมันเป็นกรรมที่มีผลเป็นกุศลเป็นสจ้าผลเป็นนิพพานก็ทำดีแต่ถ้าทำไม่ดีก็เป็นบาปเป็นนรกเป็นเตป็นสุลกายเป็นสัตว์กระฉอ การฟังธรรมเราไปเปลี่ยนเรื่องนี้ดูแลกายใจตะวันของกายตะวันของใจมันจนที่เกิดแห่งกรรมได้เพราะมันมีการกระทำทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเหมือนเราูขกข้าวก็ได้ข้าวโขกมันก็ได้มันการทำ ร่างกายที่เป็นส่วนวัตถุแปลว่าสิ่งที่ได้มาถ้าเป็นความดีคนก็นลักขโมยหนี้ไปได้สิ่งที่เคยมีถูกโจรลักไปก็เสืยอหายถูกน้ำท่วมก็เสียสุกไปไหมก็เสียที่เป็นทรัพย์นนอกตั้งกรรมที่เป็นเกิดขึ้นกายที่ใจนี้ไม่มีใครมาลัก นีไปได้เป็นของส่วนผู้ทาเองบุคคลหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกวามดีก็ย่อมได้ดีผู้ทาความชั่วก็ทำได้ชั่วแล้วพรเจ้าจึางสอนเรื่องนี้ตรงๆตร ง, ง, งละกายทุจริตประกอบกายสุจริตความไม่ดีเกิดคึิกาย ที่ว่าทุจริตระความดีเกิดขึ้นดีกาที่ว่าสุดจริตที่ความดีละมันสาอันความไม่ดีจงละไวจีทุจริตจงทำไวจีสุดจริตเกิละคําพูดที่ไม่ดีสาพูดให้มันดีสาจงละมะนุทุจริตที่เป็นความชั่ว จงทำโมโนสุดจิตให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ดีเสะเป็นทางจิตของตนให้ดีเสา ะ, ะอย่างนี้นะบาปได้เกิดบุญมีกันทุกคนเห็นกันทุกคนเวลาเราหลงเวลาเราโกรธเวลาเราทุกข์ละมันเสาะมันละได้มันไม่ยาก มันไม่ได้เปิดาหาเคี่ยวหาบุญหรือว่าอันกุศลหรือบาปนี่มันเกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละเราก็เห็นอยู่คนเก็บเม็ดก็ไปหาเคี่ยวเอาตไตไวตองจึงได้เห็ดมาคนหาปลาก็ต้องหุดลงไปในน้าจึงได้ปลามาคนหางเงินหาทองก็ต้องทำ หลังสู้้าหน้าสุดินได้เงินได้ทองมาแต่เรื่องกุศลเรื่องมักเรื่องผลนี่ไม่ได้มุดหาที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเรานี่ทุกคนก็มีกายทุกคนก็มีจิตใจเอาไว้ทำความดีเอาไว้รับความชั่วหัดสอนตนเชื่อเขยตนเตือน ต, น, ตนเอง จนมันหมดดันคมไม่ดีนะนะมันจะเหลือแต่ความดีเกิดขึ้นดี่กาที่ใจเมื่อมีความดีเกิดขึ้นที่กาที่ใจก็พึ่งฟ้าเสดได้คนหนึ่งก็เพึ่งได้จีงอื่นก็พึ่งได้แต่ความไม่ดีเกิดืึนที่กาที่ใจแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนเดี๋ยวนี้โลกร้ลนเพราะคนทําไม่ดี เราไม่ได้ทำชั่วแต่คนอื่นทำก็เป็นผลกระทบผลกันมันเกิดที่การกระทําคนเราคนเรานี่จึงมีศาสศสนามีคาสอนให้หัดกายหัดใจหัดวาจาให้มันดีมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นจึงมีวัตถุอื่น นี่คือปฏิบัติธรรมเราก็มีเวลาจัดไว้อย่างเป็นระเบียบกลางคืนก็มีกลางวันก็มีตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมีวันเดือนปีเหมือนกับลงดาได้พูดมอเช้าีนว่าจะรี่สิบสองของสิบสี่วัวนพระวันเจ้า วันผ้าวันศีลอเป็นแปดค่ำแล้วเปดค่ำก็สิบห้าค่ำแล้วสิบ้าค่ำเดือนหนึ่งมีสวันเอาไว้ให้เป็นเผื่ที่เพื่อจะเดินไปสู่ความดีที่ขีดไว้ที่มีโปองหมอยแล้วก็มีกายมีใจ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 ถ้าทำดีมันก็มีความสุขถ้าทำชัว่วก็มีความทุกข์มื่อจิตมันเสียมันก็เสียไปหมดสังคมก็เดือดร้อนเดงก็เดือดร้อนพอดทีถ้าจิตวิญญาณไม่ดีก็ไปเป็นกรรมมะพันไปติดลูกกับหลานลูกโคเพ้มาเป็นโจรผู้ร้ายลูกก็เป็นโจรผู้ร้าย ว่าแม่เป็นคนชี้เล่าชี้ยาลูกมันก็เป็นคนชี้เล่าชี้ยาพ่าแม่เป็นคนดีลูกมันก็เป็นคนดีนี่ว่าจีบวิญญาณมีความสําคัญโบรานท่านจังหวะทําทดีไว้เพื่อลูกทำถูกไว้เพื่อหล้านไม่ใช่รืออยู่คนเดียวแม่แต่นุกก็ติดได้ช่างก็ติดได้ถ้าติดความชั่ว ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีเช่นช่างสึกของพลาชาในชาดกรือว่าในโคกช่างที่รอบเมืองฐานเมืองแต่ว่าโจรผุ้นไล่ไปป้นเงินได้เงินมามันก็มาแบ่งเงินกันที่โคกช่างเพราะมันไม่มีใครไป ที่ข้าขอกจ้างก็พูดกันกูฆ่ามันกูแทงมันกูยิงมันกูเตะมันกูเหยียบมันมึงต้องให้กูมากกูเป็นผู้ฆ่ามันน่ะมึงไม่ได้ทำอะไรเลยมึงต้องเอาเนื้อหน่อยแบ่งกันกันช่างศึกพระราชตะก่อนพระราชเคยส่งช่างศึกเข้าสงครามชนะสงครามมามากใช่เป็นช่างนักลุก คู่บ้านคู่เมืองพอได้ยินจะวนมาพูดอยู่ทุกวันทุกวันมันก็กลายเป็นช่างดูหลายได้ยินเสียงไม่ดีมันก็วนช่างก็ถูกช่างฆ่าตายไปหลายคนเลาจะไปจับช่างมาให้พราชา ก็ถูกช่างค่าเอาเหยียบเอาแทงเอาตีเอ า, เอาปฏิสุดเวราชาก็สั่งให้ปังหานช่างทิ้งซะก็มีผวนช่างเท่าแก่คนหนึ่งมาขอพยโทษไว้บอกว่าจะไปดูแลเองมันจะเกิดอะไรขึ้นให้ดึกสะดูก่อน แต่ก่อนก็เป็นช่างสึกดีๆทำไมมันดูร้ายอย่างนี้ต้องมีเหตุปัจจัยอันใดเกิดขึ้นมาปวนช่างเก่าแจกเลยไปดูไปดูหัวเหรียนขอกช่างเห็นรอยกวดเล่าเห็นรอยอะไรต่างๆที่งอยู่แถวนั้นก็เลยเข้าใจว่าอาจจะมีผงโจรมาอยู่ที่นี่ คิดไยคำนวณไปลอยกินเหล้า้อยสุโขทัย ล, ลอยมีด้อยขวาน้อยสตาวุฒบอกลูกปืนอะไรต่างๆมีดาบมีขวานซ่อนไว้ก็เห็นแน่โอนล้ว่าถ้าเป็นโจรนี่มาพูดกันที่นี่ยังผระช่างศึกปราจาศจะเป็นช่างพยตุติาย มันได้นิสัยแบบโฉนโจนฆ่าตีแทงอยู่นี่ก็เลยเอาพระสงฆ์ไปอยู่ที่นั่นไปสวดมนต์แผ่เมตตาหลายวันสวดมนต์ทำว่าเจ้าอันมีเมตตาคุณนาแล้วความช่วยทำความดีให้ช่วยเหลือให้รู้จักแบ่งบานให้รู้จักอะไรต่างๆเหมือนก็บพูดให้ฟังอยู่นี่แล้วความช่วยทำความดี ขอพระวัดต่อมาวันนี่ไปสวดมนทีนะเราก็สวดมันก็สอนกันอยู่อย่างนี้ก็ยิ่งเหตุมีเหตุปัจจัยก็ยิ่งได้สนุกพูดดีให้ช่างฟังสวดมนตตอนเช้าตอนเย็นหลายวันไปช่างเสร็ก็ปวกเปียกบวกเปียกเห็นว่าไปก็รู้จักกรอบรู้จักบ่อรู้จัก ลูถูสูงวงไม่น้าบืดหน้าเบ้งอ่อวันย่นลงมาเหมือนกคนเราที่มีความยิ้มแย้มเฉสใสเมื่อได้รับลดพระธรรมจากความเศร้าหมองก็เบิกบานขึ้นมาจากใจร้ายเป็นใจดีขึ้นมาช้างศึกพระราชาก็เห็นเดียวกันกาแสดงให้ความหมดพิษหมดภยัย คนช่างเก่าแกอก็เลยขี่ช่างเข้าเมืองไปอาบทุนลอยชาช้างที่พยศหนดพิษแล้วหายพยศแล้วไม่มีเหตุปัจจัยอย่างนี้นกแก้วนกขุนทองไปอยู่กับลุยศีก็เป็นผู้เจอะไพ่เลาะนกแก้วหนกขุนทองถูกไปอยู่กับโจรก็ดูลอยคนเหล่านี้ใกล้ชิดจยงใดก็เป็นความดีอนนั้น แล้วกกับธรรมะกับศีลกับธรรมมันไม่อยู่ที่เหนือยอยู่ที่กายที่ใจเรานี่เนะือกายทุจริตมันไม่ดีเกิดกับกายเราก็เห็นหยุดจ้จะทําชั่วก็หยุดการทําชั่วม่สติเนะือว่ากีทุจริตที่เป็นพูดไม่ดีคําหยาบพูดโสเทียดพูดประชื้อก็หัดพูดความดีจะใช้วาจาใช้เป็นประโยชน์ให้เกิด มีคุณมีประโยชน์ขึ้นมาใช่มันก็อยู่กับเรานี่ลูกหลานก็ได้ยินอย่าทะเลาะว่าการให้ลูกให้ลหลานเห็นเยิมเยิมแจ่มใสมันก็จะเป็นความดีเกิดขึ้นที่ลูกที่หลานโบราณท่านสอนลูกสอนหลานดีสมัยก่อน ขณะลูกสาตั้งครนแม่จะให้ทำบุญตักบอดหัดแจกยาหมองยามแมงไปล้างถ้วยล่างชามที่วัดวาล า, ามสมทนศินห้ามเข้าครัวห้ามฆ่าสัตว์ทามไปเจ็บเสียงเจ็บของคนอื่นให้ปฏิบัติขณะที่ตั้งคารตั้งท้อง กำกับไว้ใจดีดีเอเป็นพ่อก็ให้กำลังใจให้อบอุ่นในความสบายใจลูกมันก็เกิดเป็นคนดีแล้วป้อนข้าวลูกแม่ก็ต้องยิ่มแย้มแจมใสเวลาแม่ป้อนข้าวลูกระหว่างสองคนดูหน้ากัน แม่ยิ้มลูกก็ยิ้มแม่หน้าบูดลูกก็หน้าบูดเวลาจะเอาข้าวใส่ปากลูกแม่ต้องอ้าปากให้ลูกดูหัวยิ้มออกมาพอลูกก็าปากก็ข้าวป้อนเข้าไ ป, ไปแม่นบ่าไม่ออกฮะ <c oughs> <c oughs> เวลานมใส่ปากลูกก็ใจ ด, ดีดูหน้าลูกแม่ลูกก็ดูหน้าแม่แม่ก็ดูหน้าลูก ใจดีๆใหน้นมลงไปในเลือดในอกของเราพ่นวันนี่โบร า, านท่านสอนอย่าง น, นี้ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วเกิดขึ้นมาก็ทิ้งให้ผนเฉยๆเลี้ยงบางทีก็ไม่ได้นิสยัยเลยเลยบางทีตั้งคันก็ไม่ปฏิบัต อุ้มท่องอุมคันไปดูคนฆ่าสัตว์ไปดูการเล่นกันวันนั้นไปดูหนังดูละครเ้ามีท่องมีกันในใจน้อยมักเกี่ใจเปราะใจบางโกรธใกล้มโหง่ายไปเที่ยวเตะเล่นดอนเที่ยวโรงหนังโรงละครอุ้มท่องไปดูการเล่นการฆ่าสัตว์ลักขโมยบ้างก็มี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 โอ้ยครูครูนี่เดินคนเท่าคนเจอนักเรียนยืนเดินผ่านมานักเรียนต้องนั่งลงก็ล้มครูเดินผ่านมายืนเ้าแถวก็ล้มทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้ก็อ่านหนังสือครูสอนแบบเรียนดมใหม่เด็กใช้ใหม่รักปูเป็นเด็กดี ตื่นนอนแต่เช้าทุกวันพอรูกขึ้นเขจัดแล็บปะที่นอนที่เรียบร้อยได้จึงไปล้างหน้าแปรงฟันรีบทํางานช่วยช่วยเหลือพ่อแม่เช็ดเช็ดถูเหลืองเป็นต้นรีบเสิร์ข้าวแต่งตัวโรงเรียนให้ทันเวลาทุกวันเมื่อเลิกจากโรงเรียนรีบมากับบ้านรีบเปลี่ยนเสื้อผ้ารีบทํางานช่วยเหลือพ่อแม่เวลาเลิกโรงเรียนมา ถอดเสื้อพ้านุ่งเสื้อพ้าเพื่อไม่วิ่งลงทุ่งนาไปขี่หลังขวา ย, ยืนนอนช่นงมือนี่ขี่รถมาใช่เหรอนอมบ้านน้อเมืองรต่นั้นมันจึงสิ่งแวดล้อมไม่ดีอ่ามันไม่ดีจะไปสอนไรเพราะแม่มันก็สอนไม่ได้เอามาให้วัดสอนมันก็สอนไม่ได้ ยิ่งมือนจะเป็นอันตรายต่อเราด้วยเคยสอนเด็กนี่เด็กเดี๋ยวนียลูกยาจะติดสมัไย20สิบปีก่อนน้องท่อเคยเล่นเรื่อ ง, องนี้ช่วยเหลือคนชิ่าชิยาของเงินพ่อเงินแม่ไปซื้อโมไซดยพ่อไม่มีเงินให้ผูคอตายขึ้นไปผูกคอบนเล่าเข้าพ่อเห็น เอาลงมาช่วยพ่อยอมใบขายขวายชื่อหมอชัให้ครับพอชื่อหมอชัยเราก็ได้พอเลยๆติดยาเสพติดติดยาเสพติดก็ออกไปให้เจ้าหน้าที่จะ ก, ก่อนก็ร่วมกับลงพยาาลกับผู้กองในเจน้าค้อนีให้ผู้ใหญ่ บ, บ้านคำนันสำรวจ ผู้คนที่เป็นภัยต่อสังคมมีใครบ้างให้จับตัวมาพ่อแม่ก็รลูกเอายอมรับเอามาให้เรางพอบหลวง้วัดเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันมานอนเฝ้าประตู ว, วัดผู้ขาทองตำรวจก็มาเฝ้ามาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเจ็ดวันหมอหมอช่วย แต่าคนบางคนมันเชี่ยนยาบ้ากระบอกตรงเอาบมบัดมีตึกเสงนองสองใจที่ตรงหวานแจ้งโคต้วล้ำหนับดูเลยคนยาเสพติดสมัยก่อนแล้วก็เคยไปช่วยทีเนื่นอยู่ที่วัดด้วยมันก็ไม่อยู่เชียเหมือนปินกระแพงออกปไปกลางคืนน่ะก็ไปมาเช็กดูแล้วมันใครบ้างที่ไปเราก็รู้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 ความช่วยเหลือทั้งสายฝ่ายทั้งตั้งหววทั้งหมอทั้งวัดทั้งครูหรือแต่เธอคนเดียวพูดดีๆอย่างนี้แม่พ่อแม่ ก, ก็ก็ไม่ไหวแล้วเป็นทุกข์เดือดร้อนครูก็สอนไม่ไหวผู้ใบ้านกำนั้นกคงไม่ไหวจึงเอาไปอยู่วัดกลับสะให้ตัดสินใจแท้ไปก็ไปวันนี้ หรือจะไปพิ่มกับหลงตานี่ก็ได้แล้วก็นั่งพระเจ้าขกับพ่อเขาไปส่งมันก็ปัง น, นั่นนะเพราะว่าทุกวันนี้สมัยก่อนไม่ไม่มีหรอกนางสิริหาหมายพาระเจ้าสโตทนะ่านทำใหได้รูปเป็นพระพุทเจ้าก็เป็นผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่ง พระเวสสัดรกับนางพุ้ชดีทําไมเจงาในลูกเป็นพระเวสสันดรพระเจ้าคงสงสัยกับพระนางพุ้ชดีในลูกชายเป็นพระเวสสันดรทําไมจึงเป็นคนดีเราไมปมีผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันก็มีการสิ่งแวดล้อมที่ดีมีเช่นเอาไวา้มีศินมีธรรมมีวิธีปฏิบัติ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 ขาดอากาศไม่ได้อากาศมันต้องมีอยู่ในธรรมชาติแต่นี่ขนก็ทำลายหมดแล้วไม่มีหลยเหลือแล้วโดยพอพวกเราอยู่บนที่สูงไม่ดูแลรักษาชิงวัฒนรมอันตรายอนาคตสั้นๆเวลาฝนตกมาไม่มี ต้นไม้มีป่าไม้ไม่มีอะไรที่ขวงกันหน้าดินว่ยดินก็ไหลลงหนีจู่ห้วหนองของบึงห้วหนองของหมูเขินตื้นดินก็เสืมสม่อมโทรมแต่ก่อนนี่ปกข้าปวปลูกเยปกูกข้าวโพดปลูกมันสมัยก่อนก่อนหัวเท่าเขนเท่าขานี่ เดีวนี้สองปีก็ได้เท่าดาบมีดได้หมดหุ๋ยหมดสิ่งที่ผมลงดินมากมายมันก็ไม่คุม้มไปเห็นอลังกำบะดประเทศอินเดียเป็นหน่ากลัวมากประเทศอินเดียอลังกำบะดเป็นลัดหนึ่งตูเขาแดงฉานไม่มียอดไม่มีต้นไม้ชักต้นมีพายุพุ่น เกิดขึ้นน่ลงไม่หยุดไม่เป็นเลยพออายุฝนมันหมุน่เนี่ยเหมือนกับลงหัวกุดเนี่ยคนอยู่ไม่ได้สั์อยู่ไม่ได้ไม่มีอากาศหายใจอาหารการกินก็ไม่มีจาเป็นต้องกูะพยพก็อยู่แถวแม่น้ำโครงการในร้นเช่นลาแม่น้ำอะไรต่างๆก็สกปรกการเป็นคนจอนจัดหาขอทาน ไม่มีที่อยู่อาศัยทำงานเช่นับมันขับไล่ที่สูงเพราะลมไหลธรรมชาติไม่อยากให้ประเทศไทยเราเป็นเช่นนั้นเราจะพกพวกเราอยู่ที่สูงเนี่ยที่เราสูงเนี่ยแล้วดูแ ล, ลไม่ดีมันก็เสื่อมโทรมได้ง่ายถ้าเราเป็นคนดีให้ดูจากถนนหนอง ที่ใดที่เป็นที่ทํากินของเรามีที่น้าไหลปลูป ก, ข, กข่าปลูกเข่งปลูกกล้วยปลูกพืชไร่มันขวงดินไว้ชักหน่อยเพื่อให้มันจะลอหน้าดินที่มันจะไหลลงไปจุงไอ้หนองของเบงิ่งลองตามาอยู่นี่ก็เห็นตรงที่น้ําไหลลงเขาไปเลยปลูกกอหายใจ สามสิบกอถวนี้พยืดดินไว้ชักหน่อยถ้าที่นี่เป็นป่าชาว บ, บ้านก็อยู่ได้ไม่เห็นอันนี้สงทิ้นวัดป่าสุโโตแต่ก่อนวิป่าพงป่าหญ้าคาแล้วก็ดแูแลพระยามเรไปป่าอกป่าขึ้นมาลงทนุนลงแรงล่องกัแพง เดี๋นี้ใบ ป, ป่าก็งดแล้วหญ้าปุงหญ้าขาก็งดกลายเป็นแหล่งอาหารยิ่งใหญ่ที่สุดที่วัดตาสกุลตูเห็ดออกหลงตอไปส3งสมวันนี้เห็นกันตลอดวันได้คนไปไปตอนไหนก็ได้เขี่ยหาเห็ดหลังงกเห็นหน้าขาวเห็ดานเห็ดพึ่งเห็ดขมเติม ไ, ไปหมดเลย เพราะนั้นธรรมชาตินี่ก็ช่วยเราอยู่ต้นไม้ที่มันเิดอยู่นี่มาช่วยเราอยู่เหมืนกรองอากาศให้เราหายใจได้ออกซิเจนถ้าไปในที่ไม่มีต้นไม้เราจะรู้จึกยังไงหลวงพ่อเดา ว, ว่าเวานไปแต่บ้านน้องชายแล้วก็ชวนพูดชวนไปก็ไม่ อยากให้ขิ้นมาง่ายเขาบอกว่าเมืองมนุษยโลกไม่อยากอยู่อยู่ไปอยู่นเมืองสวรรค์นึ่ง <c oughs> ถ้าลงไปบ้านด่าง ไ, ได้เอมนุษยโลกมันไม่เหมือนเมืองสวรรค์นิพพานที่บนหลังเขาเขาก็สมภัสกันนี่เดี๋ยวเชงรืงการหลายๆอย่างโดยเพราะปฏิบัติธรรมนี่แหละเปียนกายทจริต หน้ความชั่วดีกายทำความดีที่ใจว่าใจกายใจของเรานี่ให้เปลี่ยนให้แจ้อยู่ที่ไหนก็แจ้อยู่ที่นั่นแหะกายอยู่ที่นั้นวันนี้เราก็มีเป็นวันเป็นเดืนก้าวทีนะก็บทไปเรื่อยเรื่อยผวันเวลามันก็หมดไปเราก็โตวันโตได้เวลาได้ความเป็นประโยชน์ต่อเรา มีชีิตไม่ทํามเพิ่มขึ้นมีความเจลาดเพิ่มขึ้นมีความดีเพิ่มขึ้นกับให้มีมากๆไปบ้ามจุกลูกหลอนพูดจาดีๆคิดดีๆทำดีๆให้ลูกหลอนเห็นก็จะเป็นชีวิตรอมที่ดี